ตัวคนอื่นรู้เพราะยังอะไรนะยังไม่มั่นใจว่าถ้าทุศีลไปแล้วมันจะดีก็เลยไม่ยอมทุศีลแต่ไม่ได้เกิดจากฮิริโอตตะอย่างแท้จริงเพฉะนั้นคนที่มีปัญญาใครครวญพิจารณาเนี่ยนะปัญญานี่จะเป็นตัวสอดส่องให้ไหม่ทุศีลในทุกอารมณ์อาะแล้วทุศีนจนเสียหายตรงไหนคนเรามันก็ต้องมีผิดมีบ้างมีชั่วบ้างเรอไ เขาบอกแม่น้ำมันไห ล, ลไกลๆมันก็มีคดเป็นธรรมดาชีวิตของคนเราเกิดมามันก็เลวบ้างจะเป็นไรไปอย่างงี้ดีไหมทําไมอ่ะอ้าวบางคนเรามันก็ต้องมีความผิดความพลาดบ้างสิมันทั่วบ้างเลวบ้างดีบ้างก็ไม่เป็นไรปกติดีของชาวโลกนงงี่ดีไหมก็ปกติชาวโลกเขาไปไหนกันล่ะก็นั่นแหละชนเนี่ยนะบางทีเนี่ยปุคลโลปลบุคละบุคคลเนี่ยกับชนะเนี่ยนะคําแปลนี่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นี โดยอัฏฐะโดยความหมายดูถ้าเป็นกลุ่มที่เคลื่อนไปสู่อบายซะส่วนใหญ่นะโดยโดยศัพท์เนี่ยนะโดยพยัญชนะเนี่ยถ้าผู้รู้พยัญชนะมาเป็นอย่างดีวิเคราะห์เนี่ยฟังแล้วเศร้าใจเนี่ยเหมือนคําว่าศัตว์เนี่ยนะคำว่าสัตว์นี้ก็แปลว่าผู้ติดผู้ข้องในขันห้าถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจหมั่นสมาทานศีลและลึกถึงศีลได้บ่อยๆศีลเหล่านี้ที่เราสมาทานแล้วมาและลึกถึงศีลได้ก็เป็นสมัติ เราไม่ไปล่วงละเมิดศีลในทุกอารมณ์เลยรับอารมณ์อะไรเราก็ไม่ทุ่ศีลแล้วก็ระลึกถึงคุณคือศีลที่ตัวเองได้ประพฤติปฏิบัติรักษามาเป็นอย่างดีอันนี้เป็นอะไรสมรถะนะเป็นศีลานุสติก ร, รมฐานระลึกถึงศีลของตนที่ไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยไม่ทะลุเป็นศีลที่เป็นไทยเป็นศีลที่ตันหาไม่จับไม่ต้องทิฐิไม่ลูบคลำจับต้อง เป็นศีลที่เป็นความบริสุทธิ์จริงๆเป็นรักษาศีลเพื่อกุศลรักษาศีลเพื่อเพิ่มภูมกุศลศีลเหล่านี้นี่แหละที่จะเป็นบาตให้รู้เห็นตามตามความเป็นจริงจริงยังไงให้รู้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยจริงยังไงจริงอ่ะทู่ศีลตกนรกแน่นอนนะเนี่ยจริงไม้มละ่ะเอาถ้าทูศีลตกนรกไหมเอาก็นึกถึงตรงนั้นดูสิไม่เชื่อพยายาทู่ศีลที่ไหนนึกถึงก่อนตายเอาไว้เถอะเอามาไม่เกี่ยวนะแต่เล่าให้ฟัง ตอนนี้ทุกคนมาด้วยกรรมของตนอมาไม่เอาเรื่องของใครมาป่วยหรอกแนี่เราเอามาคุยๆกันเฉยๆเฉอนะว่าเออเนี่ยถ้าคุณคิดถึงความทุศีนของคุณเนี่ยถ้าคุณไม่ไปอาบายนะถ้าคุณไม่ไปอาบายแสดงว่าพระพุทธเจ้าไม่มีจริงในโลกทำไมเพราะพระองค์เนี่ยบอกอยู่แล้วว่าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสสรุปว่าเป็นไปไม่ได้หรอก ถ้าผู้ที่พรั่งพร้อมด้วยกายทุจริตไม่ไปอบายผู้ที่พรั่งพร้อมด้วยวจีทุติิตไม่ไปอาบายผู้ที่พรั่งพร้อมด้วยม EN โนทุจริตไม่ไปอาบายะอันนี้นเป็นพุพทธพจน์ไม่ได้มีอยู่ที่เดียวมีหลายสูตรด้วยกันนะอังองคัมภีหน่อยไหมเอกานิบาตอังคุตระนิกายเนี่ยนะมีฐานะอัฐานะอีกสูตรหนึ่งอีกสูตรหนึ่งก็คือฐานาธนสูตรเนี่ยนะสูตรนะที่ว่าด้วยฐานะอาัฐานะใน ในมัชชมะนิกายก็มีแล้วก็ยังมีอีกในคำพีวิพังฐานะานะอาฐานะก็มีมั้นเกี่ยวกับเรื่องฐานะอาฐานะเนี่ยมีอยู่ตั้งสามนิกายอย่างน้อยน้อยเนี่ยสามนิกายที่เห็นอยู่แล้วก็ที่อื่นอื่นเอกประปรายที่กล่าวถึงว่าผู้ที่พรั่งพร้อมด้วยความชั่วทางกายความชั่วทางวาจาความชั่วทางใจเนี่ยนะ อันนั้นะคือเหตุแห่งอบายเพราะฉะถ้าคนมีปัญญาจริงๆที่เขาไม่ทุ่ศีลเพราะมองเห็นประตูอบายมันอยู่ตรงนั้นทําไม่ได้หรอกล่วงละเมิดไม่ได้หรอกก็เหมือนถามว่าใครที่เห็นน้ําแหลมคมๆเอาตาไปจิ้มเลยเอาไหมใครใครใครเสี่ยงมั่งโอ้ยเว้นแต่คนตาบอดเท่านั้นแหละที่เขาจะทําตัวกันอย่างนั้นนะถ้าคนตาดีมองเห็นอะไรที่มันเล็มแหลมคมๆเนี่ยนะเห็นเศษแก้วเศษขวดก็เอาแหมชะเง้อตาเข้าไปจิ้มเลยนะ เหมือนกับเห็นไม้จิ้มฟันไม้จิ้มประมึกเป็นต้นเนี่ยก็มาเอาตาของเราเนี่ยไปทิ้มเลยเนี่ยก็ไม่มีคนโง่เขาก็ททำกันอย่างนั้นหรอกเพราะอะไรเพราะเขากลัวโทษกลัวทุกข์กลัวภัยที่ตามมาจากสิ่งนั้นฉันใดผู้ที่มีปัญญามองเห็นเห็นกรรมเห็นผลของกรรมเห็นความดีเห็นความชั่วเห็นบุญเห็นบาปเห็นประตูสวรรค์เห็นประตูนรกเนี่ยนะเขาไม่ยอมทาเด็ดขาด ที่เขาจะไปทุ่ศีลตรงนั้นเพราะอะไรเพราะเขารักตัวกลัวตายเขารักตัวกลัวทุกข น, นะชอบพุทธพจน์อีกที่หนึ่งเบอกว่าท่านทั้งหลายถ้าท่านกลัวทุกนะท่านจะได้ทําชั่วเพราะอะไรเพราะถ้าหากว่าท่านกําลังทําชั่วอยู่หรือจัะทําชั่วต่อไปต่อให้ท่านหะนีนะท่านก็ไม่พ้นจากความทุกข์ให้หาะเลยไปะให้หาะนีติดไอพ่นนี้เลยพ้นไหมดูเหมือนพน้น ทังเครื่องบินหมดนะ้ำมันเป็นไม่ล่ะหมดเครื่องบินน้ำมันหมดจะตกที่ไหนอย่างนี้ตกทะเลอีกตอนนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทําชั่วนะหลบไปอยู่ลืบเขาพ้นไหมไม่พ้นก็นดูสิลืบหลบไปก็มีแต่คั้งคาวอะ่ะพ้นจากความทุกข์ไหมหลบไปอยู่ในน้ําอยู่ใต้ทะเลสรุปถ้าทําชั่วนะต่อให้อยู่สวรรค์ด้วยอ่ะเคยได้ฟังเรื่องเทวดาหมดบุญไหม ถ้อินเนี่ยตอนที่จะหมดบุญเนี่ยเงือแตกพลักเงือท่วมเลยนะโอ้โหตายแน่หมดเสื่อมจากสมบัติเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยมันหมดเป็นถ้าบุญหมดเป็นอะไรตามมาบาปก็ตามมาบาปที่ทำไว้แล้วไปฉุดมาจากสวรรค์ตกนรกก็ได้นี่นะเพราะฉะนั้นที่เขาไม่ทุศีเนี่ยเพราะเขากลัวกลัวว่ามันมีโทษไม่ได้กลัวว่าคนอื่นจะมาด่ามาอะไรหรอกเพราะบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยนะเขาไม่ถือเอาคําของคนเป็นประมาณหรอก เขาไม่ถือเอาคำคนชมคนแช่งคนดา่าคนอะไรเป็นประมาณแต่เขาถือทำเป็นประมาณถือกรรมถือผลของกรรมถือบุญถือบาปถือเหตุแห่งความสุขถือเหตุแห่งความทุกข์เป็นประมาณเพราะเขามีปัญญาอันผู้มีปัญญาเขาจึงแยกออกว่าอะไรเป็นความสุขอะไรเป็นความทุกข์อะไรเป็นเหตุแห่งสุขอะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์ที่เขาไม่ล่วงละเมิดศีลที่เขารักษาศีลได้เพราะเขามีปัญญา พ่อรู้ว่าทุศีนที่ไหนประตูนรกอ้าที่นั่นอ้าที่นั่นเหมือนว่าถ้าฆ่าคนตายที่ไหนประตูคุกก็เปิดตรงนั้นใช่ไหมเหมือนกับไปลักทรัพย์โกงทรัพย์ที่ใดก็ประตูคุกตารางก็อยู่แถวนั้นเป็นต้นพันการนี่นี่คุกตารางในโลกนี้แล้วในโลกต่อต่อไปล่ะในโลกต่อต่อไปเคยเห็นคนติดคุกบ่อยๆกันไหมรถคุกเคลื่อนที่ก็ยังเห็นใช่ไหม รถคุกเคลื่อนที่ก็มีคุกหมูคุกไก่คุกคนเป็นต้นเนี่ยนะก็คุกเคลื่อนที่ก็ก็มีอยู่ในโลกนี้ถามว่าแล้วพบต่อต่อไปโลกต่อต่อไปวันคนที่สมาทานศีลเนี่ยนะเป็นเหตุใกล้ให้รู้เห็นตามความเป็นจริงรู้เห็นทางแห่งสวรรค์รู้เห็นทางแห่งนรกรู้เห็นทางแห่งอบายความรู้อันนี้เนี่ยคือการเจริญวิปัสสน า, าใช่ไหมยถาภูตยานัทสนะ กังขาวิตรณวิสุทธิไม่สงสัยเลยทางแห่งสวรรค์และทางแห่งนรกคนที่สงสัยเนี่ยนะโดยรวมๆแล้วไม่มีปัญญาเห็นเห็นเหตุแห่งสวรรค์เห็นเหตุแห่งนรกเพราะอะไรเพราะว่าก็โลกนี้นะทั้งโง่อย่างเดียวนี้จบหมดเลยนะไม่รู้ซะอย่างเดียวนี้จบหมดเลยใช่ไหโมหะพระองค์ตรัสว่า สัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องร้อยรัด น, นะที่ท่องเที่ยวไปในวะะัฏฏะอันนี้ปกติเพรันถ้าไม่รู้สักอย่างเดียวอะไรก็ทําได้หมดพันถ้าไม่รู้บุญรู้บาปแล้วบุญบาปมันเกิดที่ไหนบุญบาปนี้เป็นเจตสิกกธรรมเป็นนามธรรมนามธรรมเกิดโดยที่ปราศจากทวารและอารมณ์ได้ไหมไม่ได้เพรันถ้าอ่านเห็นอารมณ์ปั๊บนึกถึงนามธรรมได้เลย ว่านามธรรมที่ชั่วร้ายมันเกิดโดยอาศัยวัตถุอะไรเห็นเงินเนี่ยเหตุใกล้ต่ออะไรอธินนาทานปานาติบาศก็อยู่แถวแถวนั้นนะปานาติบาตก็อยู่ใกล้ๆสตังนั่นแหละอธินนาทานก็อยู่ใกล้ใก้สตังนั่นแหละกาเมก็อยู่ใกล้สตังมุสาก็อยู่ใกล้สตังสุรามันก็อยู่ใกล้สตังถ้าเห็นสตังอย่างเดียวนี่เห็นเลยประตูอบายอยู่แถวนั้นนะไม่ใช่สตังนี่เลวแต่ว่าสตังเป็นเหตุใกล้แห่งความเลวเนี่ยนะ พันธะมองเห็นทีเรียกว่าเห็นเงินอย่างเดียวรู้เลยว่าประตูนรกหรือประตูสวรรค์หรือประตูแห่งพระนิพพานเนี่ยมองเห็นได้หมดเลยพนันธเขาอ่านจากอารมณ์มันคนที่มีศีลเนี่ยเห็นอารมณ์ปั๊บเขาจะรู้แล้วว่าอะไรคือศีลอย่างพระโพธิสัตว์ท่านรักษาศีลบอกว่าท่านไม่ยอมลืมตาถ้าท่านลืมตาแล้วท่านจะเสียศีลโกรธเข้ามากถ้าลืมตาเห็นปั๊บฆ่าเลยทําใจไม่ได้ก็เลยลอมหลับตาให้เลือดอไหลก็ช่างมันเถอะท่านลืมตาหมายความว่าเขาตายใช่ไหมท่านรักศีลของท่านขนาดนั้น เพราะนั้นอย่างถ้าใครอ่านอะไรนะจำเปรยยะชาดกภูริทธะตะชาดกเป็นต้นเนี่ยจะทำให้เห็นว่าโอ้พระโพธิสัตว์ท่านตั้งใจรักษาศีลมากแม้แต่ท่านเกิดเป็นกระบือกระใบนะแล้วลิงเนี่ยมาถ่ายอุจาระรถนะกระบือก็ไม่โกรธถ้าโกรธแล้วขิดลิงตายแล้วอะไรแล้วก็เปื้อนบาปนะครับเปื้อนบาปจนได้ เั้ก็ต้องรักษาศีลศีเลนะสุขติงญันติฉั้นคนที่รักษาศีลดีๆเนี่ยจะรู้ทางแห่งสวรรค์แต่ถ้าคนไม่มีศีลเนี่ยนะแปลกนะยิ่งทูศีลเท่าไหร่จะมองว่าโอ้โห و, ชีวิตเรายังอีกนานนานเขามีชีวิตอยู่แค่สองชั่วโมงนะเขามีความรู้สึกว่าเขายังอยู่อีกนานถ้าคนทูศีลคนทูศีลคนไม่มีศีลเนี่ยนะขอให้เขามีชีวิตแค่สองชั่วโมงบอกโอ้โหโลกนี้ชีวิตเขายังอีกยาวยังอีกนาน อนนะยังอีกยาวยังอีกนานทั้งๆ ท, ที่ชีวิตเขาเหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเพราะเขาทุ่ศีลแต่ถ้าคนมีศีลทั้งหลายเขาจะบอกชีวิตนี้น้อยนักสั้นนักน้อยนิดหน่อยรวดเร็วไม่ตั้งอยู่นานเพราะความที่เขามีปัญญามองปัญญาเขาเขาเกิดการคำนวณเกิดการเปรียบเทียบเมื่อมีการคานวณมีการเปรียบเทียบ จึงเห็นว่าชีวิตนี่มันน้อยจริงๆมันสั้นจริงๆมันเร็วจริงๆนี่ทําบุญยังไม่พอแล้วก็ต้องเหมือนอะไรเหมือนเก็บของไม่เสร็จรถก็จะออกอยู่แล้วเนี่ยนะรถมันแบบไม่มีใครบอกว่ารอหน่อยรอหน่อ ย, อยไม่ได้ของก็ยังเก็บไม่เสร็จเก็บของมีค่าได้ไม่กี่ชิ้นรถจะออกแล้วฉันใดก็ดีผู้ที่เกิดมาในโลกนี้มีปัญญามองเห็นบุญเห็นบาปเนี่ยนะมองเห็นรถคือมัจจุราชจะฉุดคร่าลงไปบุญก็ทําไม่น้อย ที่พึ่งในพบต่ อ, ตอไปดีไหมฉะนั้นคนที่ศีลดีเนี่ยจะทำให้วิจัยเพื่อให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงรู้เห็นทางแห่งสวรรค์รู้เห็นทางแห่งพระนิพพานอาขอไปรู้เห็นทางนรกเห็นทางสวรรค์ที่นี้นรกก็ตรงๆเลยใช่ไหมว่ามีทุกเป็นเบื้องหน้าแล้วตกไปในนรกนี่ก็ตกทุกได้ยากอย่างแท้จริงแล้วไป เ, เป็นมนุษย์ล่ะเอามาเกิดเป็นมนุษย์่ะ ดีไหมเออน่าจะดีนะก็เรารักษาศีลจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ไงแต่ก็แต่งตัวสวยๆจะได้มาเที่ยวจะได้มาเพลิดเพลินจะได้ไปกินลมชมวิวจะทําอะไรทุกอย่างอย่างที่เราปรารถนาอยากจะไปที่ไหนก็ไปได้ขอให้ได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกก็ยังดีดีไหมใช่ไหมดีไหมชาติหน้าขอให้มาเป็นมนุษย์อีกเนาะขอให้เป็นมนุษย์อทีนะเนาะโอ้โ เกิดเป็นมนุษย์นี่น่าหนักใจไปเกิดที่คอมเมนเอาไหมไหนทั้งๆที่ญาติของมาอยู่ที่นั่นเยอะนะของมายังไม่อยากไปเลยเไหนไ้ไปเลยโหยภาพเพลิงพิโรธเอาไหมให้ไปเกิดอิรักไม่เอานะเอาแล้เกิดที่ไหนดีโอ้ประเทศไทยนี่ขอให้เลือกดูเลจะขอที่ไหนดีเอาคิดให้มันดีๆนะเอาตรงไหนกันแน่เกิดบนทางด่วนแย่เลยนะ สรุปว่าเนี่ยนี่มาเกิดเป็นมนุษย์ยังน่ากลัวขนาดนี้ทำไมเพราะถึงเกิดมาเป็นมนุษย์ถึงสมบูรณ์ด้วยหลายสิ่งหลายอย่างแต่ก็คือชาติชราและมรณะเกิดที่ใดก็ตามขึ้นชื่อว่าเกิดตามมาด้วยชราและมรณะคัณเกิดเกิดในชั้นวรนละเลวสามจำทานเป็นคนที่ถูกสังคมรังเกียจเลวทามเลวร้ายขนาดใดก็ตามผลของการเกิดก็คือชราและมรณะ ถึงเกิดมาดีกว่านั้นดีกว่านั้นจนถึงเป็นพระราชามหากษัตริย์ที่ตามมาก็คือชราและมรณะชราและมรณะชราและมรณะชาติชรามรณะชาติชรามรณะคำนี้มันเป็นคำย่อๆสั้นๆเอาไว้คุยกันแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังจากจากชราไปหามรณะนะโอ้โหน้ำตามาไหลเออท่วมคนที่น้ำตาแห้งมีไม่กี่คนนะ เพียงแต่ว่ามันไม่ไหลออกมาแบบเด็กๆ เ, เท่านั้นแหละเนี่ยะมันไม่ทะลักออกมาแบบเด็กๆนั้นเด็กๆมันจะเห็นน้ําตามันไหลประจําเลยนะหัวเราะ อ, อีกพักเดี๋ยวก็ร้องให้อีกแล้วร้องพักเดี๋ยวก็ร้องให้อีกแล้วเดี๋ยวก็กจองงงเงน้ําตาไหลยอยู่นั้นแหละเพราะที่ใดไม่เป็นที่หลังน้ําตาไม่มีในโลกเนี่ยนะขอให้เกิดมาอย่างเดียวนะถ้าขึ้นชื่อว่าเกิดแก่ตาแล้วนะโศกะจะต้องตามมาก็เป็นชีวิตที่เศร้าใจเป็นปกติทั้นคนในโลกคนมีความสุข คนโสมนัสกับคนโศกะอะไหนมากกว่ากันโสมนัสก็คู้ดีหมดเลยเยี่ยมหัวเราะคิกๆมีความสุขทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะยอมว่ามากไปมั้งอย่างนั้นเ น, นี่ยแต่หมายความว่าสรุปว่ามีความสุ ข, สขยิย้มแย้มแจม่มใสเฮปปี้ไปหมดเลยน่ายินดีน่าเพลิดเพลินอ่ะนะแต่จริงๆแล้วไม่เป็นอย่างนั้นมีแต่โศกะโศกะคือความโศกดอกโศกก็แบ่งบานทั่วเตไปหมดเลยตรงไหนที่ดอกโศกไม่บานมีไหม เอาหน้าใครไม่ดอกโศกไม่บานเลยเห็นหน้าคนนี้แล้วเลิกโศกเลยมีไม่ในโลกหน้าใครม้างไม่เป็นที่ตั้งแห่งความโศกเขาบอกหน้าของตัวเองยังเป็นที่ตั้งแห่งความโศกของตัวเองเลยจะกล่าวไปยายถึงคนอื่นจะไม่มาโศกด้วยแล้วตรงไหนไม่เป็นที่ตั้งแห่งดอกโศกมันบางสรุปดอกโศกมันบานได้ทุกหนทุกแห่งทุกที่ทุกอย่างแม้กระทั่งพื้นเนี่ยพื้นเนี่ยดอกโศกบานได้มอ่านะอย่างพี่ไตว่า เข้าไปในบ้านนะเช็ดตับมีแต่ฝุ่นทั้งนั้นเลยดอกโสรมันก็เริ่มบานขึ้นตอนแรกมันตูมอยู่ดีๆีใช่ไหมก็เริ่มบานขึ้น น, นะมองเห็นรถดอกโศกมันก็บานถ้าสีมันถลอกไปหน่อยดอกโสรมันก็บานสรุปว่า ด, ดอกโศกมันบานได้ทุกขนทุกแห่งทุกที่ น, นะแบ่งบานได้ทุกที่เพราะอะไรเพราะจริงๆชรา ม, มรณะแต่ตามมาด้วยโสกะใครที่ทําตีรณะปริญญามาดีๆจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยโสรกทรมาโต มีธรรมะตัวนั้นแปลว่าเหตุเป็นเหตุแห่งความเศร้าโศกเป็นธรรมดาต้นกล้วยยังเป็นเหตุแห่งความโศกเลยไอ้คําว่าโศกนี่ไม่ได้แปลว่าต้องแบบมันๆเศร้าอื่นไม่ใช่แปลว่าโทสะโศกะเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าใจเป็นที่ตั้งแห่งความลําบากใจอะไรบ้างเนาะในโลกนี้ใครหาพบบ้างบทที่ไม่โศกอ่ะเจอสิ่งนั้นเห็นสิ่งนั้นได้ฟังสิ่งนั้นแล้วเลิกโศก ใครเจอบ้างเนาะแล้วก็อริยสัจอย่างเดียวถ้าไม่แทงตลอดระดับอริยสัจแล้วนะยังแม้แต่การได้ฟังธรรมอย่างนี้นะเสียงที่ได้ยินได้ยินนี่ยังเป็นเหตุแห่งโสกะจะกล่าวไปหญยถึงเสียงอื่นๆเล่าเนะเสียงเพลงก็เป็นเสียงแห่งโสกะเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งโสกสรุปในโลกนี้ทุกอย่างเนี่ยโสกธรรมโตเป็นวัตถุแห่งความโศก แล้วก็เป็นวัตถุแห่งอุปาญาตความคับแค้นใจปริเทวะความบน่นความเพอ้ออะไรมั่งไม่เป็นที่ตั้งแห่งการบ่นเพ้อในโลกไม่ไมีไหมทุกอย่างเป็นอารมณ์แห่งการบ่นถึงพูดถึงทั้งหมดเลยวันก่อนไปนั่งดูชายทะเลนะคือไม่ใช่ว่าอยากไปเที่ยวทะเลนะแต่หมายความว่าไปพักกริมทะเลพอดีเพราะมีที่พักอยู่แถวนั้นก็เลยไปมองเห็นน้ําทะเลมองเห็นน้ําทะเลก็นึกถึงพระธรรม ก็เห็นความโง่ของตัวเองอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันตอนหลังมานี่ ย, ยสว่วยเรามันโง่ขนาดนี้ไม่ทราบก็ทีที่พอรู้ว่าโง่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะนึกถึงพระธรรมได้จึงรู้ว่าโอ้ที่ผ่านมานี่โง่ตอนที่ไม่นึกถึงพระธรรมนะโอ้เรานี่เก่งมากฉลาดพอนึกถึงพระธรรมได้เมื่อไรโอ้โหโง่มาตั้งนานอถามว่าโง่อย่างไงโง่ก็คือว่าพอเห็นน้ําทะเลก็นึกถึงพระธรรมได้ พระธรรมนี้เป็นยังไงพระพุทธเจ้าอุปมาณน้ําทะเลด้วยอะไรบ้างหนึ่งหนึ่งน้ำทะเลที่พระพุทธเจ้าอุปมาไปได้ผิดหวังหน่อยก็ร้องให้โฮและปกขุมเนี่ยอย่านัน้สามอย่างใหญ่ๆ่ก่อนนะที่เปรียบว่าน้ําทะเลเหมือนน้าตาเนี่ยน ะ, ะเห็นอะไรมั่งที่เราไม่โศกไม่สะอื้นไม่เป็นที่ตั้งแห่งความโศกความสะอื้นมีไหม ของชาตินี้นี่เนนะโอ้ยสมัยเด็กๆในะของมานีนเจ้าน้ําตาเลยแหละเด็กๆนะเป็นเด็กที่อ้ชอบร้องไห้มีเรื่องอะไรหน่อยหนึหน่งก็ร้องไห้และ้ะแต่หลายๆคนในที่นี้อาจจะมีบ้างอ่นะดอกโศกมันแบ่งบานประจําเลยนะใครมาว่าหน่อยก็ร้องไห้และ้ะใครมาตําหนิหน่อยก็น้ําตาซึมและอะไรอย่างเงี้ยไปได้ผิดหวังหน่อยก็ร้องไห้โฮและ้ะปกกลุมเนี่ยก็น้ําตาของชาตินี้ที่เก็บเก็บเก็เก็ก็เก็บมานะี่ยหยดมาแแม่หนึ่งก็เอาทิชชู่มาซับไว้ แมหนึ่งทิศชั่ช่มาซับไว้แล้วก็มาบีบกองรวมรวมกันเนี่ยเท่าไหร่ดีเจ้หมวยชาตินี้อย่างเดียวก็เป็นก็เป็นขัน น, นะนะเป็นขันอาจจะไม่แน่นะอาจจะเอามาอาบอาบได้สบายสบายสักเสร็จห น, หนึ่งครั้งนะน้ำตาเหล่านั้นเนี่ยนะเก็บเก็บไว้นะอาบได้นี่ชาติหนึ่งนะแล้วสังสารวัตรมีกี่ชาติมีกี่ชาติชา ต, ชาติแล้วชาติเล่าชาติแล้วชาติเล่าลพบแล้วพบเล่า ก็เหมือนกับเดินวงกลมเนี่ยนะเดินวงกลมเมื่อไหร่มันจะจบนะเราเดินเดินรอบสมมุติเดินรอบบ้านเนี่ยเดินให้มันสุดเนี่ยนะเมื่อไหร่มันจะสุดเดินวงกลมเขาจึงเขาจึงมิทานแบบชาวบ้านเขาไว้เล่าเล่าคำขำกันว่ามีชายตาบอดไปขโมยควายว่างันแล้วก็พอจูงควายออกมานอกบ้านจูงเสร็จแล้วก็ต้อนควายควายมันก็เดินรอบบ้านก็ ต้อนควายอยู่ทั้งคืนนึกว่าไปไกลแล้วก็เลย ern, ยิ้แมแย้มแจ่มายมีความสุขร่าเริงเพราะต้อนมาทั้งคืนใช่ไหมพอสว่างเข้ามาก็ถูกจับแล้ชั้นใดก็ดีพวกที่ท่องเที่ยวอยู่ในว่าตากก็เหมือนตาบอดต้อนควายนี่แหละต้อนไปนึกว่าไปไกลเลยนะที่ไหนได้ก็ต้อนอยู่แถวแถวนั้นนะเหมือนสุนัขถูกล่ามโซ่สุนัขถูกล่ามโซ่แล้วก็วิ่งรอดอยู่นั่นแหละ ว, วิ่งอยู่ทั้งวันทั้งคืนถามว่าจะไปไกลไหม ในปลายก็วนอยู่ตรงนั้นแหละเหมือนกับเคยใครเคยเห็นเข้าหีบอ้อยแบบโบราณไหมหีบอ้อยแบบโบราณนี่ก็ก็คือมีมีคล้ายๆมีก้อนกลมๆเนี่ยนะสองอันเนี่ยมาติดกันแล้วก็จะใช้ใช้โคเนี่ยมามาเป็นตัวหมุนรอบก็โคมันก็จะเดินรอบอยู่งั้นอะ่ะแล้วแล้วไม้หีบอ้อยมันก็จะหมุนหมุนหมุนแล้วก็จะหีบอ้อยอเขาก็ประยุกออกมาเหมือนกับที่เขาคันน้ำอ้อยอ่ะนะคล้ายๆมา แต่ว่าโคมันจะเดินวนวนวนว น, วนเดินวนอยู่เจ็ดวันเนี่ยโคจะไปไกลไหมไม่ไกลฉันใดผลสรุปว่าทุกครั้งก็หยุดตรงกลางหมดเลยสังสารวัตรที่เราทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดทุกคนอ ย, กอยู่ท่ามกลางแห่งสังสารวัตอยู่ท่ามกลางแห่งสังสารวัตรเอ่อทวนอีกครั้งหนึ่งนะการพูดแบบนี้คือการแสดงตีรณปริญญาหรือสัมมสัญาเลย เพราะสัมมาสนญาเ น, นี่ไม่ได้นั่งซึมอันนี้จังจ้องเขมงไม่ใช่นะแต่หมายถึงการเอาโลกเอาชีวิตมาใคร่ครวญเนี่ยนะสัมมาสนญญ า, าตีระนาปริญญาเนี่ยเป็นการใคร่ครวญชีวิตทุกแงม่มุมจนกว่าจะเห็นทุกอย่างเป็นเหตุที่หลังน้ำตาน้ำตาที่เวียนว่ายตายเกิดพบแล้วพบเล่าชาติแล้วชาติเล่าน้ำตาที่ทะลักออกมามากกว่าน้าทะเลมหาสมุทรเราเคยเห็นตรงไหนมั่งไม่เป็นที่หลังน้าตามีไหม ไม่มีเนี่ยนะที่ที่ไม่หลังน้ําตาไม่มีหรอกในโลกนี้ยังบางทียังนึกเลยนะขึ้นบางแห่งนะขึ้นรถปั๊บก็ได้ยินเสียงเด็กร้องแนละ้วขึ้นเครื่องยังมีเด็กร้องเลยนะเด็กก็ร้องแสบแก้วหูใช่ไหมเวลาเครื่องขึ้นเนี่ยร้องน้ําตาไหลมันสรุปทุกคนทุกแห่งเป็นที่หลังน้ําตาหมดเลยเป็นที่หลังน้ําตาของสัตว์ทั้งหลาย น, น้ําตาที่ทะลักไหลอ า, อาบแก้มแต่ละชาติแต่ละ ช, ชาติเนี่ยมากกว่าน้ําทะเลมหาสมุทร ของคนเดียวนะแต่มีอีกสูตรหนึ่งก็บอกว่าเธอร้องให้เพราะแม่ตายคนเดียวเนี่ยนะคนที่ถือว่าเป็นแม่เนี่ยแม่คนเดียวเนี่ยน้าตาก็มากกว่าน้าทะเลแล้วพ่อที่ตายก็ร้องให้มากกว่าน้าทะเลพี่ชายตายก็ร้องให้มากกว่าน้าทะเลน้องสาวตายก็ร้องให้หมักมากกว่าน้าทะเลสามีตายก็ร้องให้ มากกว่าน้ำทะเลพระยาตายก็ร้องให้มากกว่าน้ำทะเลลูกสาวลูกชายตายก็ร้องให้มากกว่าน้ำทะเล น, นะพอฟังมาอย่างนี้ก็บอกโอ้จะร้องให้ไปถึงไหนกันนาน้ำตาจะไหลบ่าไปถึงไหนตอนที่เราฟังทำอยู่เอ๊ะมันไม่น่าร้องให้เลยนะแต่พอสูญเสียเอาเข้าจริงๆเ่ะนะใครปลอบก็แล้วใครปลอบก็แล้วก็ยังน้าตาไหลปริมอยู่ดีมียอมคนหนึ่งที่ที่ลูกชายเขาตายเนี่ยนะ โอ้ยเห็นเมื่อไหร่ก็น้ําตาปรีตลอดเลยนะพอพูดถึงคําว่าลูกเมื่อไหร่ปั๊บน้ําตาก็เริ่มไหลเออออกมาแล้วะพราะน้ําตาที่ไหลเฉพาะลูกตายพ่อตายแม่ตายอย่ยางเดียวแต่และอย่างแต่และอย่างเนี่ยน้ําตาก็มากกว่าน้ําทะเลมาหาสมุทรแล้วเนี่ยนะเมื่อไหร่น้อจะจบเมื่อไหร่น้อจะสิ้นเมื่อไหร่น้อจะพ้นอันนี้ข้อแรกก่อนนะแล้วทวารไหนมั่งไม่นํา ม, มาซึ่งน้ําตา อาศัยจากขู่กับรูปเกิดจากขูวิญญาณจบที่ไหนที่น้ำตาอ่า น, นะอาศัยหูกับเสียงได้ยินเสียงอะไรจบที่ไหนน้ําตาจมูกรู้กลิ่นจบที่ไหนก็น้ําตาอีกอยู่ดีลิ้นรู้รสจบที่ไหนน้ําตารสไหนมั่งไม่หลังมาซึ่งน้ําตาไม่มัม่งอาหารมื้อไหนโต๊ะไหนมั่งไม่ไม่ไม่เป็นที่หลังมาแห่งน้ําตาไม่มีไม่มีสัมผัสตรงไหนมั่งที่ไม่เป็นที่มาแห่งการหลังน้ําตา สัมผัสตรงไหนมั้งน้ำตาไม่ร่วงในร่างกายเนี่ยสัมผัสทุกแห่งในร่างกายเป็นที่มาแห่งน้ำตาถอนฟันยังน้ำตาร่วงเลยจะคิดอะไรมากนะร่วงไหมก็สรุปว่าทุกแห่งเนี่ยเป็นที่มาแห่งน้ำตาร่วงหมดเลยนะปวดฟันยังน้ำตาร่วงเลยมีไหมนะสรุปว่าฟันก็ยังเป็นที่มาแห่งน้ำตาอยู่ดีผมเนี่ยังเป็นที่มาแห่งน้ำตาเลยเขามายังนึกใครเด็กเด็กอยู่ข้างไหน ก็ <K ö> hm <at> ตัดผมให้เราตัดใม่ดีเราดูแล้วไม่ถูกใจร้องไห้เลยนะมันก็เส้นผมก็เป็นที่มาแห่งน้ําตาสรุปในร่างกายทั้งหมดสัมผัสทุกแห่งของร่างกายเป็นที่มาแห่งน้ําตาเรื่องที่เราคิดนะก็เป็นที่หลังแห่งน้ําตาเหมือนกันเรื่องไหนที่เราคิดว่าสมหวังเรื่องนั้นแหละจะผิดหวังมีความหวังอยู่ที่ใดความผิดหวังก็อยู่ที่นั่นเราคิดว่าสมหวังอยู่กับวัตถุใดกับอารมณ์ใดความผิดหวังก็อยู่กับ อารมณ์นั้นเรื่องไหนมั่งในโลกไม่เป็นที่หลังแห่งน้ําตาแห่งหมูสัตว์มีไหมมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่ไม่เป็นที่มาแห่งการหลังน้ําตาไม่มีแม้แต่เรื่องเดียวเอางั้นก็ฟังทำไงบอกว่าถ้าเลื่ถ้ า, ถาบางคนนะไม่ได้ฟังก็ร้องให้แล้วสรุปแม้กระทั่งเรื่องฟังทำก็ยังเป็นที่หลังแห่งน้ําตาจะกล่าวไปยายถึงเรื่องธรรมดาสามัญทั่วๆไปทุกเรื่องในโลกนี้เป็นที่มาแห่ง น้ำตาได้หม hey. ดเลยเป็นที่หลังน้ําตาเรื่องลูกเรื่องล้านเรื่องพ่อเรื่องแม่สารพัดเรื่องที่มีอยู่ในโลกที่มาแห่งน้ําตาทุกทวารทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจสีทุกสีนํามาซึ่งน้ําตาเสียงทุกเสียงก็นํามาซึ่งน้ําตากลิ่นทุกกลิ่นนํามาซึ่งน้ําตาลิ้นรสทุกรสโพธาภะทุกโพธาภะเรื่องราวทุกอย่างในโลกนี้เป็นที่มาแห่งน้ําตาหมดเลยถามมันน่าพอใจไหมดีไหมไม่ดีเลยเนาะ ทำไฉะนาะจะดับทุกเหล่านี้ได้ที่สุดแห่งทุกอยู่ที่ไหนบทไหนนะเรียกว่าบทอันไม่โศกบทอันไม่โศกอยู่ตรงไหนเนา อ, อันนั้นอย่างสมัยก่อนเนี่ยเขาเที่ยวสแสวงหาบทอันไม่โศกถ้ารู้สิ่งนั้นแล้วเลิกโศกเนี่ยบทตรงนั้นอยู่ตรงไหนนะรู้สิ่งใดนะเลิกสะอื้นสัทีหนึ่งรู้บทอันอันดับความโศกรู้บทอันไร้ความสะอื้นเลิกหลั่งน้ำตาเลิกเสียใจเนี่ยนะ ก็หาเรื่องขําำมาคุยกันสิจะได้เลิกเสียใจไอ้เรื่องคขำขำนั่นแหละจะเป็นที่ตั้งแห่งความเสียใจอีกอยู่ดีโจกนี่ก็เป็นที่มาแห่งน้ําตาอีกอยู่ดีสรุปว่าทุกเรื่องในโลกจุดจบก็คือน้ําตาจนได้น้ําตาจนได้เพราะน้ําตาที่สะสมพบแล้วพบเล่าชาติแล้วชาติเล่าจึงมากกว่าน้ําทะเลมหาสมุทรอันนี้เรื่องน้ําตาอย่างเดียวนะสองเรื่องน้ําเลือด เออเอาน้ำนมก่อนน้ำนมที่เธอดื่มกินอนชาติที่เอาพูดเฉพาะชาติที่ดื่มนมนะชาติที่ไม่ดื่มนมไม่ต้องพูดถึงเอาเฉพาะชาติที่เราดื่มน้ํานมจากถันแห่งมารดาเนี่ยนะชาติที่เกิดชาติที่ดื่มน้ํานมมีชาติไหนชาติเป็นแพะก็ดื่มนมชาติเป็นวัวเป็นควายก็ดื่มนมชาติเป็นมนุษย์ก็ดื่มนมสัตว์หลายตัวที่เลี้ยงลูกด้วยนมฉนั้นเราที่เกิดมาด้วยสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมก็ดื่มน้ํานมจากเต่าแห่งมารดาเนี่ยนะ มากกว่าน้ําทะเลที่ผ่านมานะสังสารวัตอันยืดยาวนานเนะี่ยเก็บน้ํานมที่ดื่มถ้าใครดื่มนมมาละกล่องมาละกล่องมาละกล่องอนะเก็บน้นํานมไว้กล่องหนึ่งปริมาณเกือบครึ่งลิตรไหมกี่กี่สองร้อยห้าสิบใช่ไหมถ้าดื่มสี่วันได้ลิตรหนึ่งสี่วันต่อลิตรหนึ่งนะแล้วชาติชีวิตเป็นร้อยเป็นร้อยรอยวันเป็นพันพันวันแล้วกี่ลิตรไปแล้วล่ะ แล้วตั้งก็ตั้งกับเด็กๆขึ้นมาเลยนะเด็กเพราะแทบจะไม่ค่อยดื่มน้ําอะไรก็ดื่มแต่นมเป็นหลักเลยนะถ้าจนเจริญเติบโตมาดื่มน้ํานมอันนี้ชาตินี้นะเราจะดื่มน้ํานมกันแล้วเป็นเป็นอะไรพู้จะเป็นรถก็เป็นรถนัถ่นรถพ่วงอ่นะเป็นรถแบบเท่ากับรถมันทุกน้ํามันเนี่ยนะหนึ่งชาติอาจจะดื่มนมเนี่ยเท่านั้นอนะ่ะเดิมเป็นอะไรนะเป็นทั้งถังอ่ะนะทั้งใหญ่ๆเลยนะดื่มนมเนะี่ย ชาติที่หนึ่งผ่านไปชาติที่สองก็ดื่มนมเก็บน้ํานมที่ดื่มกินเก็บน้ํานมที่ดื่มกินดื่มดื่มดื่มนั้นแหละพันน้ํานมที่ดื่มกินมากกว่าน้ําทะเลทีนี้ขากถ้าพูดถึงในวัตตาอันสองอันยาวนานเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายก็เคยเป็นมารดาของเราเมื่อสัตว์ทั้งหลายที่เคยเป็นมารดาเองเราต้องไปดื่มน้ํานมจากผู้นั้นจากบุคคลนั้นบุคคลนั้นบุคคลนั้นดื่มน้ํานมสะสมมาแต่ละชาติแต่ละชาติมากกว่าน้ําทะเล ก็ถือว่ามากแล้วใช่ไห ม, น, น, มนี่นะน้านมเนี่ยนะก็บอกว่าแม่ชื่อติดสาคนเดียวที่ตายไปเราเสียน้ำตามมากกว่าน้ำทะเลวันเราดื่มน้ำนมจากแม่คนเดียวนี่แม่คนเดียวนะไม่ต้องว่าแม่พ่อคนที่ไม่เคยเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกการนหิหายากในโลกวันน้ำนมที่เก็บมากว่า น, ากกาน้ำทะเลนี่นะแล้วก็อีกสซนหนึ่ง น้ำเลือดน้ำเลือดที่เธอสูญเสียไปแต่ละพบแต่ละชาติชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์ถูกตัดคอนะเลือดทะลักออกมาหรือว่าถุกมีดกรีดเป็นต้นเนี่ยนะถูกทิ่มถูกแทงที่เสียเลือดเกิดเป็นวัวเกิดเป็นควายเกิดเป็นช้างเกิดเป็นนักกรบเกิดเป็นอะไรก็ตามที่สูญเสียเนื้อสูญสูญเสียเลือดอย่างเดียวเนี่ยน้ำเลือดที่เสียไปที่เราเป็นอะไรนะคาดเป็นเป็นนักโทษอ่ะ ชาติที่เป็นนักโทษที่ถูกผู้อื่นประทุษร้ายประสบอุบัติเหตุเป็นต้นทําให้สูญเสียเลือดจะด้วยเหตุผลใดก็ตามสะสมเลือดที่ผ่านมาในท้องถทะเลเลือดเลยนะเป็นทะเลแห่งน้ําเลือดเพราะฉะนั้นน้ําทะเลเนี่ยนะแปลให้เป็นสีอีกสีหนึ่งน้ําทะเลก็สีแห่งน้ําตาน้ําทะเลก็เป็นสีแห่งน้ําหนมน้ําทะเลเนั่นก็คือสีแห่งน้ําเลือดที่เราทั้งหลายประสบพบผ่านมา ที่ใดมั่งที่เหงื่อไม่ตกเก็บเหงื่อไว้แต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยนะร่างกายถ้าเราไม่มีอะไรมาซับเหงื่อนะเก็บเหงื่อเก็บเหงื่อแต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยจะได้น้ําเหงื่อเท่าไหร่ดีอ่นะบางคนนี่เหงื่อท่วมทุกวันเนี่ยนะเก็บเหงื่อแต่ละชาติแต่ละชาติอ่นะจะได้เหงื่อสักเท่าไหร่น้ําเหงื่อที่ทะลักออกมาดีนะไม่เลยไปหาน้ําปัสสาวะเป็นต้นนะเก็บน้ําปัสสาวะออกมาจะเท่าไหร่นะวันหนึ่งนี่หลายลิตรเลยอย่างเงี้ยบางคนนี่เป็นลิตรเลยนะถ้าเก็บเก็บเก็บว่โอ้ย หลายทะเลเนี่ยหลายทะเลเยอะกว่าเลือดอีกเนี่ยนะ<น>เพราะฉะนั้นธาตุน้ำเนี่ยจึงน่ากลัวเพราะน้ําในที่สุดน้ําตาทีจริงถ้าพูดถึงกรรมฐานเหล่านี้ต้อให้พ้นไม่พ้นพูดกรรมฐาน น, น้ําเลือด ก, ก็คือน้ําอโปธาตุน้ําตาก็คืออาโปธาตุน้นํานมก็คืออาโปธาตุน้ําเหงื่อก็คืออาโปธาตุเนั้นอาโปธาตุนี่น่ากลัวแค่ไหน ถ้ามองไปแล้วนะอาโปธาต์จึงน่ากลัวเราต้องเสียน้ําตาเสียเลือดเสียเหงื่อเสียดื่มน้นํานมเป็นต้นก็เพราะเรายังติดข้องในอาโปธาต์เพราะฉะนั้นควรแล้วที่จะเบื่อหน่ายในอาโปธาต์ควรแล้วที่จะคลายกําหนัดในอาโปธาต์เพราะอาโปธาต์ที่เราติด